ถ้าใครเห็นโอปปาติกะซึ่งจะเห็นโดยวิธีไหนก็ตามก็เรียกกันว่าคนนั้นได้ตาทิพทั้งนั้นแต่ความเป็นจริงแล้วการเห็นโอปปาติกะไม่จาเป็นจะต้องเห็นด้วยตาทิพเสมอไปเพราะโดยธรรมดาทุกคนไม่ว่าสมองจะอยู่ในระดับต่าสักเพียงไรก็ย่อมจะเห็นโอปปปาติกะได้เสมอถ้าหากบุคคลเหล่านั้นอยู่ในสภาวะดังต่อไปนี้